بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل د ีมอัลมุซฮัฟ الكريم ا ل م ص ح ั ا ل ش รีม ل ั่ง سعد ا ل غ ا م ด ا อัลช ي ร الثان สอ ي และมีอยู่ในสุราตีอัลอิมรันบทอัลอิมรันเป็นบทมานิยมีสององการสาเหตุที่เรียกบทนี้ว่าอลอิมรน ก็เพราะว่าในบทได้กล่าวทังเรื่องราวของครอบครัวที่มีเกียรติครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของอิมรอนซึ่งเป็นบิดาของมารยำเป็นแม่ของนบีอีสาอไลสละเรื่องราวของครอบครัวนี้อัลลอ์ได้ทรงให้เห็นเดชานุภาพของพระองค์โดยการให้มารยำที่เป็นหญิงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยมีชายใดต้องตัว ได้คลอดลูกออกมาคือนบีอีชาอะัยสลัลัมบทอาลอัยมรอนี้ได้ประมวลไว้ด้วยองค์ประกอบสําคัญสําคัญสองประการด้วยกันกล่าวคือหลักอักีดะพร้อมด้วยหลักฐานและเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่ามีอัลลอฮ์ผู้ ส, ส่งสูงส่งเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นบัญอยากต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทําสงครามและการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์สำหรับองค์ประกอบ ที่หนึ่งนั้นได้มีองค์การเพื่อมายืนยันการเป็นเอกภาพของพระองค์การเป็นนบีของนบีม د, ุฮัมมัดศัจธรรมของอัลกุรอานและโต้ตอบข้อโต้แย้งของชาวคมภีที่มีต่อาศาสนา伊ลาต่อคมภีอัลกุรอานตลอดจนเรื่องของนบีมุฮัมมัดสลลลละเวลายุสลาห์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทอัลบากร ได้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชาวยิวเป็นส่วนใหญ่แต่บทอาลอิมรอนได้พูดถึงเรื่องราวของชาวนาซอร์หรือชาวคริสเตียนซึ่งได้มาโต้แย้งกับท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลละเว ร, รสลัเกี่ยวกับนบีอีสาโดยพวกเขากล่าวว่าเป็นพระเจ้าบ้าเป็นบุตรของพระเจ้าบ้าและไม่ยอมรับสาระที่ท่านนาบีได้นำมาซึ่งในเรื่องต่าง อันกรานได้โต้ตอบด้วยหลักฐานที่เด็ดขาดมีรายละเอียดมากมายมีเนื้อหาสาระในเรื่องนี้เกือบครึ่งบทอีกทั้งยังได้แจ้งให้ทราบและให้ระมัดระวังเล่กลของชาวยิวให้ชาวมุสลิมทราบอีกด้วยส่วนองค์ประกอบที่สองเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆในบทนี้ได้พูดถึงบัญญัติเกี่ยวกับพิธีฮัจ์และการต่อสู้ในคางขอระเรื่องที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย ข้อชี้ขาดเกี่ยวกับผู้ไม่ยอมจ่ายสกาศเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงครามบาดัตและสงครามอุฮุดบทเรียนที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รับจากการทำสงครามต่างๆโดยเฉพาะจากสงครามทั้งสองครั้งครั้งแรกได้รับชัยชนะจากสงครามบาดัตและก็พ่ายแพ้ในสงครามอุฮุดในครั้งที่สองอันเนื่องมาจากหย่อนยานกับคาสั่งของท่านรอสู จากสงครามครั้งนี้อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งให้เราทราบถึงคนดีและคนไม่ดีโดยแยกให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนสําหรับการดําเนินชีวิตสุดท้ายพระองค์ทรงเน้นให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้อดทนเพื่อจะรับความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามมมอลิฟลามมี ม, อ, ม, ม, มอัลลอฮลาอิลาอัลลอฮฮยุลกยุมอัลลอฮนั้นเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสัการะสิทใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็นอยู่เสมอ ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายพระองค์ได้ทรงประทานคำร์นั้นลงมาแก่เจ้าด้วยความจริงเพื่อยืนยันคำมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้าคำร์นั้นและได้ทรงประทานคำภีนเตารอน แล ان. إن ز ز ให้มีมาก่อนในฐานะเป็นทางนำสำหรับมนุษย์และได้ประธานอัลฟุรุกรอนมาด้วย แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การของอลัลลอฮ์นั้นพวกเขาจะรับโทษอนันรุนแรงและอลัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงตอบโต้การลงโทษที่ดียิ่งอินนัลลอฮะลยะยุฟิล้ริวลาฟิสสมาแท้จริงอลัลลอ์นั้นไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินและฟากฟ้า ที่จะซ่อนเร้นพระองค์ไปนั้นพระองค์คือผู้ทรงให้เราเป็นรูปร่างขึ้นในมดลูกตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้น ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชายา منه <ت ص في ق> فيتبعون ما تشابه منه بيتغاء الفتن ة وبتغاء ت أ و ي ل ه وما يعلم ت أ ِ ي ل ه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا วโรงคือผู้สรงประธานคำภีลงมาให้เจ้าโดยที่ส่วนหนึ่งนั้นมีบรรดาองค์การที่มีข้อความรัดกุมชัดเจนซึ่งองค์การเหล่านั้นคือรากฐานของคำภีและมีองค์การอื่นๆ อ, อ, อีกที่มีข้อความเป็นนยัยส่วนบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขาเองเอียงออกจากความจริงนั้น เขาจะติดตามองค์การที่เป็นนัยยะของคำภีร์ทั้งนี้เพื่อสแสวงหาความบุ่นวายและเพื่อการตีความในองค์การนั้นๆและไม่มีใครรู้การตีความองค์การนั้นได้นอกจากอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่มั่นคงในความรู้เท่านั้นที่พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราศรัทธาต่อองค์การนั้นแล้วทั้งหมดนั้นมาจากที่ ท, ที่พระผู้บันชาของเราทั้งสิน้น และจะไม่มีใครได้รับคำแนะนำตักเตือนนอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้น إن أن โอ้พระผู้บานของพวกเราโปรดอย่าให้หัวใจของเราเอ็งเอียงออกจากความจริงเลย หลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ทาง น, นำแก่พวกเราแล้วและได้โปรดประทานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์ให้แก่พวกเราด้วยเถิดแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงประทานให้อย่างมากมนนายมุลลิมีอ อพระผูดบานของพวกเราแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ชุมนุมมนุษย์ทั้งหลายในวันหนึ่งซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆ ใ, ในวันนั้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงผิดสัญญาอินัลลดีนกะฟรูลตุอนิญะนุมอําวาลุห์มวลาเอาลาดุมมินอัลลอฮิชอยะและอวลาอิกห์ุมโคดุด แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้นทรัพย์สมบัติของเขาและลูกๆของพวกเขานั้นจะไม่ทำให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษของอัลลอ์ได้เลยและชนเหล่านี้แหละคือเชื่อเพลินแห่งไฟนรการุม د د เช่นเดียวกับสภาพความเคยชินของวงวานอิสราเอลและบรรดาคนรุ่นก่อนจากพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและอัลลอ์ก็ได้ทรงลงโทษพวกเขาเพราะความผิดของพวกเขาเองและอัลลอ์นั้นทรงเป็นผู้ลงโทษอย่างรุนแรง มุฮัมมัดจงกล่าวแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเจ้าจะรับความปราชัยและในวันปรโลกพวกเจ้าจะถูกต้อนไปสู่นรกยานหน่ และเป็นทีพ่พำนักอันเลวร้ายยิ่ง แน่นอนได้มีสัญญาณหนึ่งปรากฏแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งอยู่ในสองฝ่ายที่เผชิญหน้ากันฝ่ายหนึ่งต่อสู้ในขนทางขอร้อง Allah, และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งเห็นเขาเหล่านั้นด้วยตาตนเองเป็นสองเท่าของพวกเขา แต่อัลลอฮ์นั้นจะทรงสนับสนุนผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยการช่วยเหลือของพระองค์แท้จริงในสิ่งที่กล่าวมานั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ที่มีดวงตาทั้งหลายุนนลินน บ, บวบต ได้ถูกทำให้ลุ่มหลงแก่มนุษย์ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่มีเสน่ห์อันได้แก่สตรีและลูกชาย ของและเงินอันมากมายและม้าดีและประสุสัตว์และไร่นาดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นแต่อัลลอฮฺนั้น น, น, นาที่พระองค์คือที่กลับอันสวยงามมมลออนบบิิิคคุุรม ل ِلَّذِينَ اتَّقَوْ ع ِ ن د َ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ م ِ ن َ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَ محمد َ تنقل out here w o จะให้ฉันบอกแก่พวกเจ้าถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นไหมคือสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นณนะพระผู้บาลของพวกเขาพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์และความพึงพอใจจากอาลัลลอฮ์ด้วย แล้วอนั้นทรงเห็นป่าวทั้งหลายขือบนบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้ยบาลของเราแท้จริงเราได้ศรัทธากันแล้วดังนั้นโปรดทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราเลืเอเถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา และโปรดได้ปกป้องพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของนรกด้วยเถิดบรรดาผู้ที่อดทนและบรรดาผู้ที่พูดจริงและบรรดาผู้ที่พักดีและบรรดาผู้ที่บริจาค ش ิ د الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصة لا إله بال إلا هو العزيز الحكيم الله ทรงยืนยันว่าแทจิ ไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นมาลายกาและผู้มีความรู้ทีด่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้นอินนดีนัยดัลลอฮ์อิสลาม َمَخْتَلَفَ الَّذِينَ الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ مِنْ الْعِلْمُ أُوتُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ف إ َท <S ess> ้จร <S ess> ิงศาสนาณที่อัลลอฮ์นั้นคือศาสนาอิสลามและบรรดาผู้ที่รับคาพี ไม่ได้ขัดแย้งกันนอกจากหลังจากที่ได้มีความรู้มาอย่างพวกเขาเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉานิสยาระหว่างพวกเขาเองและผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาโอการของลอร์แลวไซแน่นอนอรอนนั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการสอบ ส, อส ว, ลลวน แล้วถ้าหาพวกเขาโต้แย้งเจ้าก็จงกล่าวว่าฉันได้มอบใบหน้าของฉันแด่อลองแล้ว และผู้ที่ปฏิบัติตามฉันก็มอบด้วยและเจ้าจงกล่าวแก่บรรดาผู้ที่รับคำภีและบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นว่าพวกเจ้ามอบตัวต่ออัลลอ์แล้วหรือถ้าหากพวกเขาได้มอบแล้วแน่นอนพวกเขาก็ได้รับแนวทางอันถูกต้องและถ้าหากพวกเขาผินหลังให้ถ้าจริงหน้าที่ของเจ้านั้นเพียงประกาศให้พวกเขาทราบเท่านั้นแลวลอ้นนั้นทรงเป็นผู้เห็นปวงบาวทั้งหลาย إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعداب ا ل ل ي م ถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของอลัลลอฮ์และฆ่าบรรดานาบีโดยปราศจากความเป็นธรรมและฆ่าบรรดาผู้ที่ใช้ให้มีความยุติธรรมจากหมู่ประชาชนนั้นมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ ا آ ชนเหล่านี้แหละที่บรรดาการงานของพวกเขาไร้ผลทั้งในโลกนี้และประโลกและจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเลย อัลล ال ัมต์ร่าอิลัลที่นั่งอุตุมศบัมน์ในคัตตาบี ด, ดา่นงนัลัมัลัมัลัลัลัลัลัลัลัดไลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลวลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลั เพื่อคำร์นั้นจะได้ตัดสินระหว่างพวกเขาแล้วกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็ผินหลังให้โดยพวกเขาก็กำลังผินหลังให้ ات, นั่นก็เพราะพวกเขากล่าวว่า ไฟนรกนั้นจะไม่แตะต้องพวกเราเลยนอกจากบรรดาวันที่ถูกนับไว้และสิ่งที่พวกเขากรุกขึ้นมาในาศาสนาของพวกเขานั้นได้หลอกลวงพวกเขาให้หลงชื่อแล้วจะเป็นอย่างไรเล่า เมื่อเราได้ชุมนุมพวกเขาไว้สําหรับวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นไม่มีการสงสัยใดๆแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนในสิ่งที่ชีวิตนั้นๆได้ขนขวายไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลยอุลิลลัฮุหม์รรมัลิค์ลุลกตอติลุลก์มันต์ชาห์ و เตาะลุลก์มิมมันต์ชา ี ي ي จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิสิทธ์แห่งอำนาจทั้งปวงพระองค์นั้นจะทรงประธานอำนาจแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ และจะทรงถอดถอนอำนาจจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงให้เกียรติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงยังความต่ําต้อยแก่ที่พระองค์ทรงประสงค์ความดีทั้งหลายอยู่ที่พระหัตของพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง พระองคทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันแล้วทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืนและทรงให้สิ่งมีชีวิตออกจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตและทรงให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตออกจากสิ่งที่มีชีวิต และสรงให้ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศ จ, จากการคิดคำนวณ ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดอาบดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรอื่นนอกจากผู้ศรัทธาและผู้ใดกระทมเช่นนั้นเขาย่อมไม่อยู่ในศาสนาที่มาจากอัลลอ์นอกจากพวกเจ้าจะป้องกันจากพวกเขาจริงๆเท่านั้น และอัลลอฮ์ทรงเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์และยำอัลลอฮ์นั้นคือการกลับไปจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด หาพวกเจ้าปกปิดสิ่งที่อยู่ในหัว อ, อกของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามอลลอฮฺย่อมรู้สิ่งนั้นดีและทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและอัลลอฮฺนั้นทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งยามมมายมมมมมจิิิดุุลลนนสอครรหเ ว, วันที่แต่ละชีวิตจะได้พบกับความดีที่ตนได้ประกอบไว้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้าและความชั่วที่ตนได้ประกอบไว้ด้วย แต่ละชีวิตนั้นชอบหากว่าระหว่างตนกับความชั่วนั้นจะมีระยะทางที่ห่างไกลและอัลลอ์นั้นทรงเตือนพวกเจ้าให้ยังเกรงพระองค์และอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงปราณีต่อปวงบาป จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้ารักอัลลอ์ก็จงปฏิบัติตามฉันอัลลอ์ก็จะทรงรักพวกเจ้าและจะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าซึ่งโทษทั้งหลายของพวกเจ้าและอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอุลออี จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอสู่นถึงแต่ถ้าหากพวกเจ้าผินหลังให้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกอาดัมและนูฮและวงวานของอิบราฮิมและวงวานของอิมรอนให้เหนือกว่าประชาชาติทั้งหลาย โดยเป็นเผ่าพันธุ์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกันและกันและอโลอนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อิดกาลทิมรแอตูอิมรานับบีอินนีนดรตูลค์แมฟีบตูนีมฮัรรัมฟะตัควบัลมิลนี อนนมี إن أن ال จงรำลึกถึงขณะที่พัญญาของอิมรอนกล่าวว่าโอ้พระผู้บานของฉันแท้จริงฉันได้บนบานไว้ว่าให้สิ่งที่อยู่ในคันของฉันถูกเจาะจงให้อยู่ในฐานะผู้เคารพภักดีต่อพระองค์และรับใช้พระองค์เท่านั้นดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับจากฉันด้วยเถอ พทาจริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้。 ครั้นเมื่อนางได้คลอดบุตรนางก็กล่าวว่าโอ้พระผู้ยบานของฉันแท้จริงฉันได้คลอดบุตรเป็นหญิงและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งกว่าถึงบุตรที่นางได้คลอดมาและใช่ว่าเพศชายนั้นจะเหมือนกับหญิงก็หาไม่และฉันก็ได้ตั้งชื่อเขาว่า แล้วฉันก็ขอต่อพระองค์ให้ทรงคุ้มครองนางและลูกของนางให้พ้นจากชายตอนที่ถูกสาปแช่ง แล้วพระผู้ทรงอภิบาลของนางก็ทรงรับมรยังไว้อย่างดีและทรงให้นางเจริญวัยอย่างดีด้วยและได้ทรงให้จักริยาอุปการะนาง คราใดาที่ z ักริยาเข้าไปหานางที่อัลเมียร์รอเขาก็พบปัจจัยอย่างชีพอยู่ที่นางเขากล่าวว่าโอ้มารยาเธอได้สิ่งนี้มาอย่างไรนางก็กล่าวว่ามันมาจาก อ, าอัลลอฮ์แท้จริงอลัลลอ์นั้นทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการกำหนด ที่โน่นละจากริยาได้วิงวอนต่อพระผู้ิบาลของเขาโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้วิบาลของฉันโปรดได้ทรงประทานแก่ฉันซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งจากที่พระองค์ท่านแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยิน فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصرة ม, ม, ม, มลลนนบมมล ال และมาัลากาได้เรียกเขาขาะที่กำลังยืนละมาดอยู่อยู่ในอันเมยอหอว่าที่จริงอลัลลอฮ น, นั้นทรงแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยย้ายาโดยที่จะเป็นผู้ยืนยันดำรัดหนึ่งจากอาัลลอฮ และจะเป็นผู้นำและผู้รักษาความบริสุทธิ์และเป็นศาสดาท่านหนึ่งจากหมู่ชนที่เป็นคนดี